หนึ่งัสสะแปล ว, ว่าการกระทบกับอารมณ์หมายเหตุผู้อ่านคำว่าอารมณ์ในทางธรรมะนั้นจะต่างจากคำว่าอารมณ์ที่เข้าใจในภาษาไทยนะครับอารมณ์ในที่นี้ก็คืออายตนะภายนอกหกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะ สิ่งต้องกายธรรมอารมณ์อารมณ์ทางใจสิ่งที่ใจนึกคิดตัวอย่างเช่นรูปารมณ์อารมณ์คือรูปปัสสะแปลว่าการกระทบกับอารมณ์ซึ่งหมายความว่าทุกขณะจิตที่เกิดเช่นเกิดการเห็นหรือเกิดการได้ยินหรือวิญญาณอันไหนจะเกิดก็ตาม ทุกขณะที่เกิดนั้นจิตจะต้องได้สัมผัสกับอารมณ์การเห็นการได้ยินเป็นต้นจึงจะเกิดขึ้นได้โปรดสังเกตคำว่าเจตสิกซึ่งแปลว่าสิ่งที่เกิดพร้อมกับจิตเกิดทุกขณะและดับพร้อมกับจิตดับทุกขณะมีอารมณ์และทิ่ตั้งอย่างเดียวกับจิตโดยในยะนี้เจตสิกก็คือปฤติกรรมของจิต หรืออาการของจิตที่นอกเหนือไปจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นนั่นเองขอได้โปรดศึกษาคำว่าภาษาให้เข้าใจอย่างดีและพยายามมองให้เห็นด้วยว่าภาษานี้จำเป็นต้องเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะและคำว่าจิตเกิดก็หมายถึงการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิน่น การรู้สึกรสการรู้สึกสัมผัสทางกายและความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นคือหมายถึงวิญญาณทั้งหกเกิดขึ้นโปรดระวังให้ดีคนส่วนมากมักชล่าใจโดยคิดว่าตนเองเข้าใจคำว่าจิตเกิดหรือจิต ด, ดับถูกต้องดีแต่ครั้นซักถามเข้าจริงๆส่วนมากจะตอบเปรปะหรือตอบไม่ชัด หมายเหตุผู้อ่านสำหรับผู้มาใหม่อาจจะเข้าใจยากสักหน่อยนะครับแนะนําให้ศึกษาจากหนังสือพุทธธรรมฉบับรับขยายซึ่งความเข้าใจเบื้องต้นนั้นจะทําให้การศึกษาต่อมาเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับภาษาในทางธรรมนั้นหมายถึงสัมผัสการกระทบการถูกต้องภาษา เป็นความประจบกันแห่งสามสิ่งคืออายตนาภายในอายตนาภายนอกและวิญญาณอายตนาภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพพ่พสิ่งต้องกายธรมมารมอารมณ์ทางใจสิ่งที่ใจนึกคิด และวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ได้แก่จักขูวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตารู้รูปด้วยตาคือการเห็นโสตาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหูคือรู้เสียงด้วยหูคือได้ยินขานะวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูกคือรู้กลิ่นด้วยจมูกคือได้กลิ่น จิวหาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางลิ้นคือรู้รสด้วยลิ้นคือรู้รสกายวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกายคือรู้ผลทพะด้วยกายรู้สึกสัมผัสทางกายและนโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจคือรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจรู้ความนึกคิดซึ่งสามสิ่งนี้ คืออายตนะภายในบวกอายตนะภายนอกบวกวิญญาณจึงเป็นผัสสะพัสสะหรือสัมผัสในทางธรรมนั้นมีหกอย่างคือจักขู่สัมผัสความกระทบทางตาคือตาบวกรูปบวกจักขู่วิญญาณคือการเห็นโสตาสัมผัสความกระทบทางหู บวกเสียงบวกโสตวิญญาณคือการได้ยินคานะสัมผัสความกระทบทางจมูกคือจมูกบวกกลิ่นบวกคานะวิญญาณคือการได้กลิ่นชิวหาสัมผัสความกระทบทางลิ้นคือลิ้นบวกรสบวกชิวหาวิญญาณคือการรู้รสกายสัมผัสความกระทบทางกาย คือกายบวกพลทัพพะคือสิ่งต้องกายบวกกายยวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางกายมโนสัมผัสความกระทบทางใจคือใจบวกธรรมอารมณ์คืออารมณ์ทางใจบวกมโนวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางใจ